ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบได้นะหนังสือแจกเอาไปได้ทุกเล่มลต้องการอย่างละเล่มก็เอาไปได้หนังสือเป็นเหมือนแผนที่บอกทางทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในวงเวียนของความทุกข์เรา เดินอยู่ในวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานเพราะเราไม่มีแผนที่ไม่มี GPS สมัยนี้มีแผนที่มี GPS คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือน GPS พอมีแผนที่มี GPS เราก็สามารถเดินไปสู่ที่ที่ไม่มีความทุกข์ได้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตอนนี้เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรายังเดินอยู่ในที่ที่มีแต่ความทุกข์อยู่เรายังเกิด เรายังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้กำจัดเหตุที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองที่เราไม่ได้กำจัดเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรสองถึงแม้ว่าจะรู้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถ กำจัดเหตุที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะเราไม่มีกําลังเหมือนกับนักกีฬานักวิ่งมาราธอนก่อนที่จะวิ่งมาราธอนได้เขาก็ต้องซ้อมก่อนซ้อมเพื่อให้เขามีกําลังที่จะวิ่งมาราธอนได้ถ้าเขาไม่ซ้อมนี่วิ่งวิ่งไปครึ่งกิโลก็หอบนะวิ่งไม่ไหว แต่ถ้าซ้อมหัดวิ่งวันละเล็กวันละน้อยเริ่มต้นจากร้อยเมตรเป็นสองร้อยเมตรเป็นสามร้อยเมตรเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวก็วิ่งได้เต็มเต็มมาราธอนเริ่ตน้ตนก็วิ่งมินิมาราธอนก่อนแล้วก็ไปที่ฮาฟมาราธอนแล้วค่อยไปฟูลมาราธอนเนตอนนี้พวกเรา รู้แล้วว่าต้นเหตุของการที่พายเรามาเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรเพราะเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์หรือเป็นนักเรียนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราพระพุทธเจ้าสอนว่าต้นเหตุของการที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ก็คือความอยากสามชนิดได้กันความอยากชนิดแรกเรียกว่ากามะตันหากามะแปลว่ากามะคุณหา้ามีอยู่ห้าชนิดกามะคุณคือหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพผฏพะนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งรูปสองเสียงสามรสสี่กลิ่นห้า <c oughs> บททัปพะที่พวกเราติดกันเหมือนยาเสพติดต้องมีอะไรให้เราดูต้องมีอะไรให้เราฟังต้องมีอะไรให้เราลิ้มรสได้นมกลิ่นได้สัมผัสทางร่างกายเราถึงจะอยู่อย่างสุขถ้าขาดรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราจะรู้สึกทรมานเช่นยกตัวอย่าง พวกที่ไปติดคุกนี่จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณฑที่เขาอยากจะเสพเขาจึงทรมานอยู่ในคุกอันนี้ทรมานทางจิตใจทางร่างกายเขาไม่ทุกข์เพราะว่าเขาก็มีปัจจัยสี่ดีกว่าอยู่นอกคุกสิเพราะฟรีข้าวก็ฟรีที่อยู่อาศัยก็ฟรียารักษาโรคก็ฟรี เสื้อผ้าก็ฟรีล้วยังแถมมีรอปภคอยเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงคนที่ติดคุกนี่ดีกว่าคนไม่ได้ติดคุกคนไม่ติดคุกนี่ต้องเสียเงินหาเงินซื้ออาหารเองซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหม่มแล้วยังต้องมาจ้างรอปภ แต่ถ้าติดคุกแล้วนี่ฟรีทุกอย่างทางร่างกายนี้น่าจะสบายกว่าคนที่ไม่ติดคุกแต่ทางจิตใจนี้กับทุกกว่าคนที่ไม่ได้ติดคุกเพราะเขาไม่สามารถไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เขาอยากหาได้นั่นเองเพราะเขามีความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะใครที่ไม่อยากจะติดคุกนี่ก็สแสดงว่ามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทางนั้น คุณอยากติดคุกไหมไม่อยากใช่เพราะคุณมีคุณยังมีกามะทันหาอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีกามะทันหาติดคุกนี่ดีกว่าไม่ติดไม่ต้องไปทางานหาเงินไม่ต้องไปเที่ยวไหนอย่างเป็นท่านี่ติดคุกสบายเพราะเป็นท่านี้ก็เหมือนติดคุกอยู่แล้วอยู่ในวัดนองก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่พระติดคุกยังมีความสุข เพราะพระสามารถหยุดความอยากได้พระอริยเจ้านี่ยท่านหยุดกา ม, มาตุหาได้ท่านไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านก็เลยไม่ทุกข์เวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพหรือเวลาไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายเพราะร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องตายเวลาตายไปตาหูจมูกนิ้นกายก็หมดไป ถ้ายังมีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ก็ต้องไปหาตาหูจมูกนิ้นกายอันใหม่แต่ถ้าหยุดความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ไม่ต้องไปมีตาหูจมูกนิ้นกายอันใหม่ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันแล้วก็ทำให้เราทุกข์กัน เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่เราได้เสพมันเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราไม่ได้เสพมันมันก็ทำให้เราทุกข์เราจึงอยู่กับความทุกข์มากกว่าอยู่กับความสุขเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเวลาใดที่เราไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ เวลานั้นก็เป็นเวลาร้องห่มร้องไห้เช่นเวลาแฟนจากเราไปเราก็เหงาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนมาให้เสพมาให้สัมผัสนร้องห่มร้องไห้เวลาแฟนตายไปเวลาแฟนจากไปเพราะเราต้องมีแฟนถึงจะมีความสุขพอเวลาไม่มีแฟนเราก็เลยทุกข์กัน แต่สำหรับคนที่เขาไม่มีความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเช่นพระที่มาบวชนี่แฟนก็าตายไปเขาก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เขาไม่เสียใจแฟนเขาไปมีแฟนใหม่เขาก็ไม่เสียใจเพราะว่าเขาหยุดความอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโถดพระได้แล้วถ้าเวลาตายไปเขาก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันไหม ถ้าของสามารถหยุดความอยากได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรความอยากนี่บางทีหยุดได้แต่ไม่ได้หยุดอย่างถาวรหยุดด้วยการฝืนใจใช่เรามาอยู่วัดเรามาถือศีลแปดนี่ความอยากมันก็ยังไม่หมดเพียงแต่ว่าเราฝืนมันเราสู้กับมันเราไม่ยอมทำตามมันแต่จะสู้กับมันได้นานเท่าไหร่ท่านเอง บางคนมาอยู่วัดถือศีลแปดได้สามวันก็ขอกลับบ้านนะสู้ไม่ไหวบางคนก็อยู่ได้เป็นปีเนยพระบางรูปมาบวชเนี่ยก็ก็สู้กับมันได้แต่สมัยนี้บางทีก็มันก็เข้ามาในวัดได้รูเสียงกลิ่นรดเนี่ยมันเข้ามาทางมือถือเข้ามาทางของกินขนมนมเนยที่ญาติโยมเอามาถวายพระเนี่ย มันก็เป็นรูปเสียงกินลดเหมือนกันก็ยังเสพได้ยังเสพอยู่เพียงแต่ว่าเสพอยู่ในตามกฎระเบียบเช่นอยากจะเสพรูปขนมช็อกโกแลตนี่ก็เสพได้แต่ถ้าเป็นอาหารนี่ก็เสพได้เฉพาะตอนเช้าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เสพไม่ได้ละ แต่ถ้าเป็นพวกนมเนยพวกเนยอพวกน้ําตาลนี้เสพได้ตอนบ่าย อ, อนุญาตให้เสพถ้ายังเสพพวกนี้อยู่ด้วยความอยากก็ถือว่ายังติดอยู่ญาติโยมเอาของพวกนี้มาประเคนถวายพระก็เหมือนมาล่อใจพระมาส่งเสริมกิเของพระแต่ก็ไม่ผิดญาติโยมได้บุญพระก็ได้ข้อสอบ หรือว่าจะทำข้อสอบได้หรือเปล่าหรือว่าใจจะแข็งเวลาเห็นขนมจ็อกกลัดช็อกกลักกที่ญาติโยมเอามาถวายแล้วสู้กับความอยากจะกินมันได้ป่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เรามาเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราได้เรียนรู้ว่า เรากำลังเดินไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมากำจัดเหตุที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันมีอยู่สามสามเหตุด้วยกันเหตุข้อที่หนึ่งคือกามรตันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผสะ ความอยากข้อที่สองคือวิภภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นนอกอยากอยากเสพนั่นเสพนี่เสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะให้คนยกย่องสรรและเสยเยินยออันนี้ก็เป็นความอยากที่พาให้เรากลับมาเกิดเหมือนกันอยากได้เงินทองอยากเป็นมหาเศรษฐี อยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดี <Yeah. S 1> อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรืออยากจะเป็นหัวหน้า <Yeah. S 1> เป็นพระก็อยากจะเป็นเจ้าอาวาส <Yeah. S 1> เป็นสังฆราช <Yeah. S 1> อันนี้ก็เรียกว่าถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ยังต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อยู่ uh huh. ตายไปก็ยังจะกลับมาหาอยู่ uh huh. แล้วความอยากชนิดที่สามก็ ค, คือความอยากไม่เสียสิ่งที่เราได้มา ไปได้ร่างกายมาก็ไม่อยากจะเสียมันไปได้ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่อยากจะเสียมันได้เป็นพ ร, า, er น า, ราชามหากษัตริย์ก็ไม่อยากจะเสียมันได้รับการยกย่องสรรเสริญก็ไม่อยากจะเสียมันพอถ้าเสียมันมันก็ต้องไปหาใหม่ต้องกลับมาหาใหม่พอเสียร่างกายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่พอเสียง เงินทองไปก็ต้องกลับมาหาเงินทองใหม่นี่คือความอยากสามประการด้วยกันที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดลงดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันไม่ดีมันเป็นทุกข์เวลาเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์แล้วล่ะ ูกมาออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเองละอยู่ในท้องแม่นี่ไม่ต้องหายใจไม่ต้องกินเองแม่หายใจให้แม่ให้อาหารให้แต่พอคลอดออกมาจากท้องปั๊บนยต้องหายใจแล้ะเด็กถึงร้องไห้กันนะเะวลาออกมาจากท้องแม่นี่ร้องกันนะเพราะว่าหายใจไม่ออกต้องมีคนกระทุ้งตีก้นถึงจะหายใจได้ อ๋อหายใจได้แล้วก็ต้องหากินต้องกินเองต้องดื่มเองต้องขับถ่ายเองอันนี้ก็เป็นทุกข์ังนั้นเวลาหิวเราไม่ได้กินทุกข์เวลาปวดท้องไม่ได้ถ่ายทุกข์นี่คือความทุกข์ที่ได้มาเกิดเราก็ต้องมาทุกข์กับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุ ข, ขกับเรา ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปหาความรู้พอได้ความรู้มาก็ไปหางานหาเงินพอได้เงินก็เอาเงินนี้ไปซื้อความสุขกันไปเที่ยวกันไปซื้อของที่เราอยากได้กันแล้วพอเงินไม่พอใช้ก็ทุกข์อีกเป็นหนี้กดบัตรใช้บัตรมากเกินไปเป็นหนี้ เดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอาจจะถูกเขายึดบัตรคืนไปถ้าไม่สามารถใช้หนี้ได้เสียเครดิตก็จะไม่สามารถซื้ออะไรต่างๆได้ที่อยากจะซื้อก็ทุกข์อีกแล้วต้องมาทุกกับของที่เราได้มาอีกของที่เราได้มาเราก็หวงอีกหวงอีกต้องคอยดูแลรักษามีสมบัติก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูแลกลัวมันจะหายกลัวมันจะหมด และเวลามันหายมันหมดก็ทุกข์อีกเสียใจอีกเนี่ยเรามีความทุกข์รอบด้านนอกจากนั้นยังต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆอีกภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุไฟไหม้โจรผู้ร้ายอุบัติภยัยเดินทางด้วยรถด้วยเรือด้วยเครื่องบินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ แล้วก็ต้องมาทุกขกับการพัดภาคจากกันเนี่ยเรามีแฟนมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเดี๋ยวเวลาเขาจากกันเขาจากไปเราก็ทุกข์กันอีกร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็ยันต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายเวลาร่างกายแก่นี้มันไม่สบายเลยเจ็บตรงนั้นปูวตรงนี้ จะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรนี่มันไม่สะดวกเหมือนตอนที่เป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วเวลาเป็นโลอีกไม่สบายอีกเป็นไข้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็เราไปรักษารักษาก็ทรมานอีกหมอฉีดยาหมอเอาเข็มฉีดเส้นเลือดให้น้าเกือให้เลือดเจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ แล้วเดี๋ยวนที่สุดก็ต้องตายไปรักษาดีขนาดไหนเลี้ยงดูดีขนาดไหนก็ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายได้นี่คือความทุกข์ที่เรามาหากันไม่ใช่หาเพียงครั้งเดียวหากันมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วแสนคูณล้านน้ําตาที่เราหลั่งนี่ น้ำตาที่เราร้องไห้ออกมาแต่ละพบแต่ละชาติเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจนี่ถ้าเราเอามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรเีงน้าในมาหาสมุทรคิดดูมากขนาดไหนแต่น้ำตาที่เราร้องนี่มากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนี่คือปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่ได้จากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแบบไม่มีวันสิ้นสุด น่าจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างนี้ต่อไปอีกจนกว่าเราจะสามารถกำจัดความอยากทั้งสามข้อนี้ให้หมดไปจากใจได้ตอนนี้เราไม่มีกำลังถ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ยังไม่เคยวิ่งร้อยเมตรก็ยังวิ่งไม่ไหวกิโลนึงยังวิ่งไม่ไหวเราจะวิ่งต้องสี่สิบกิโลจะไหวเลยแต่ทำไมคนอื่นเขาวิ่งได้เขาก็เหมือนเรา ก็เพราะว่าเขาฝึกเขาซ้อมเขาซ้อมวิ่งกันวิ่งวันละเล็กว่นละน้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังพอมันวิ่งแล้วมันก็จะมีกำลังวังชาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็วิ่งได้เป็นต่างกันตรงที่จะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็ววิ่งได้ก่อนที่วิ่งแล้วก็ได้รางวัล รางวัลที่หนึ่งวิ่งเร็วกว่าเขาที่สุดก็ได้รางวัลที่หนึ่งคนที่วิ่งช้าก็อยู่ที่ท้ายแถวแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่เพียงแต่ว่าช้าพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยพวกเราก็เป็นเหมือนนักวิ่งมาราธอนถ้าเราอยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาสร้างกาลังให้มามีกำลังที่สามารถที่จะหยุด ความอยากทั้งสามข้อนี้ได้ถ้าเรามีกําลังเต็มร้อยเราก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกที่มีกําลังเต็มร้อยที่สามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปสอนคนอื่นคนอื่นพอฟังแล้วเชื่อฟังก็ลองเอาไปปฏิบัติลองเอาไปทำดู ก็สามารถทำให้มีกำลังเต็มร้อยขึ้นมาและสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างเต็มร้อยเหมือนกันก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานรานิพพานคือจิตใจที่สะอาดไม่มีความอยากทั้งสามนี้เรียกว่านิพพานจิตนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นเชียงใหม่ไม่ได้เป็นฝรั่งเศส ไม่ได้เป็น อ, อเมริกาแต่เป็นจิตใจที่ได้รับการชำระด้วยธรรมะจนสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความอยากทั้งสามนี้หยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาได้พอหยุดได้จิตก็เป็นนิพพานขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด จิตที่ยังหยุดความอยากไม่ได้เรียกว่าวัตจิตวัตจักวัตจักก็คือสังสองสารวัตรที่เกิดแก่เจ็บตายของสัตว์นอกจากพบของมนุษย์แล้วก็ยังมีพบของเทวดาของพรหมภพของเดชานของเปรตที่หลังจากที่เราตายจากการเป็นมนุษย์นี้แล้วก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เรายัางต้องไป เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดในนารกก่อนแล้วแต่บุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าสมมติตามนี้เราตายไปวันนี้ถ้าบาปกับบุญที่มีในใจนี้อันไหนมีมากกว่ามันก็จะพาเราไปถ้าบาปมีมากกว่าก็จะดึงใจเราไปอบายอบายก็มีอยู่สี พบด้วยกันพบของเดราชฉานพบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกเป็นที่ไปรับใช้ผลบาปเป็นเหมือนไปติดคุกติดตารางเพราะเป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาปเวลาตายไปบุญจะดึงเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นเทพมีสวรรค์ชั้นพรหม และสวรรค์ที่สูงกว่านั้นคือสวรรค์ของพระอริยเจ้าอันนี้ก็อยู่ที่บุญที่เราทำกันบุญก็มีหลายชนิดนอกจากการทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปบุญที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาทำให้เกิด มีดวงตาเห็นธรรมอันนี้ก็จะพาให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วเราก็พอใช้บุญหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยกเว้นพวกที่ไปสู่ชั้นของพระอริยเจ้าจะกลับมาเกิดก็ไม่เกินเจ็ดชาติเช่นพระโสดาบันนี้ถ้าถ้าใครได้ไปถึงสวรรค์ชั้นโสดาบันแล้ว ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าชั้นที่สองคือชั้นสกิราคามีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินหนึ่งชาติถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมอ่าฝนต ก, กนะถ้าใครอยากจะขยับก็เชิญตรงไหนก็ได้นะนั่งหาที่นั่งเอา เรอยากจะกลางกลางร่มนั่งนั่งก็ได้อา จ, จะตกไม่มากเนะนี่คือจิตสองชนิดนจิตของพระอาหารหันต์กับจิตของปุถุชนจิตของปุถุชนนี้เรียกว่าวัตจิตยังติดอยู่ในวัตถะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือวัตตะสงสารหรือสังสารวัฏ คือที่มีไตภพไตภูมิเนี่ยคือสังสารวัตรกามาพบคือพบของผู้ที่เสพกามผู้ที่ยังมีกามตัญหาคือตั้งแต่เทวดาลงมาชั้นเทพสวรรค์ชั้นเท พ, เ ท, พเทวดามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่ตกนรกนี้ยังเป็นพวกที่เสพกามอยู่ส่วนพวกที่เลิกเสพกามได้พวกที่นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ ก็ไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพคือสวรรค์ชัน้นพรมรูปภพกับอรูปภพมีสองระดับด้วยกันส่วนผู้ที่สามารถจเจริญวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยรรสัจสี่ได้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากตัณหาความอยากแล้วใช้ธรรมะหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้า กำจัดความอยากได้หมดถ้ายังกำจัดไม่ได้หมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจชาติหรือหนึ่งชาติหรือถ้าได้เกินก็อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมอยู่แล้วก็จะหลุดพ้นต่อไปนี่คือเรื่องจิตใจของพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัฏจิตวัฏจักรกัน จิตที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะยังไม่ได้ชำระไม่ได้กาจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจไม่ได้กาจัดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิวัตวิภาวะตัญหาให้หมดไปจากใจเพราะไม่มีกำลังจึงต้องมาปฏิบัติมาสร้างกำลังกันมา เอาธรรมะมาเป็นเหมือนกำลังเป็นเป็นตัวให้กำลังกับใจเหมือนกับเดิมยาที่เขาเดื่มให้พลังยาชูกำลังพวกอะไรพวกเครื่องดืม่มชูกำลังต่างๆ Energy Drink ดิื่มแล้วก็จะมีพลังธรรมะก็เป็นเหมือน Energy Drink เป็นเหมือนเครื่องดืม่มชูกำลังถ้าเราเดื่มธรรมะเข้าไปแล้ว ใจเราก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้ยาชูกําลังคือธรรมะนี่ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันมีชนิดอ่อนชนิดปานกลางแล้วก็ชนิดแรงก็ต้องกินจากของอ่อนขึ้นไปก่อนกากินของแรงเดี๋ยวร่างกายรับไม่ไหวจิตใจรับไม่ไหวต้องค่อยๆพัฒนาเอาธรรมะขั้นขั้นน้อยก่อนขั้นง่ายก่อน แล้วก็ไปสู่ธรรมะที่ที่ยากขึ้นไปตามลำดับธรรมะข้อแรกที่เรามาใช้เป็นเครื่องชูกำลังของใจก็คือทานการให้การแบ่งปันการเสียสละมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้แทนที่จะไปเอาไปใช้ซื้อยาเสพติดให้กับใจก็ให้ไปซื้อ บุญให้กับใจคือถ้าเราเอาเงินที่เราไปใช้กับตันหาความอยากต่างๆนี้เรียกว่าเหมือนกลับไปซื้อยาเสพติดเช่นอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปเที่ยวเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนไปเสพ ย, ยาเสพติด mm hmm. เที่ยวแล้วมันจะติดเที่ยวแล้วต้องเที่ยวเรื่อยๆ mm hmm. หยุดเที่ยวไม่ได้ mm hmm. เหมือนกับไปซื้อยาเสพติด ถ้าเอาเงินนี้ไปซื้อเอาไปทําบุญเอาไปให้ทานเหมือนซื้ออาหารเพราะทำบุญแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขจะสบายและจะไม่อยากไปเที่ยวเพราะจะหยุดความอยากเที่ยวได้นี่คือข้อที่หนึ่งให้เราใช้เงินให้ฉลาดอย่าใช้เงินแล้วทําให้เกิดโทษกับจิตใจ ถ้าใช้เงินตามความอยากก็เหมือนกับไปซื้อภพชาติให้มีมากขึ้นไปเพราะความอยากมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ความอยากเท่าไหร่ความอยากมันก็จะมีมากขึ้นไปอย่าเหมือนสมัยนี้เขาล่อให้คนซื้อของอะ่ะว่าถ้าซื้อของแล้วจะได้สแตมมากขึ้นคนอยากจะได้สแตมก็ซื้อใหญ่ยิงซื้อก็ก็ยิ่งอยากได้สแตมมากขึ้นตอออ่อไปละ ดันข้อที่หนึ่งในการต่อสู้กับความอยากือลถปริมาณความอยากลงก็คืออย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากอย่าใช้เงินตามความอยากเพราะความอยากมันจะไม่หมดมันจะมีมากขึ้นเอาเงินไปใช้ฝืนความอยากดีกว่าทุกครั้งอยากจเาเงินนี้ไปเที่ยวก็ไปทำ บ, บุญทำที่ไหนก็ได้ทำที่ที่บ้านก็ได้ให้คนอื่นไปก็ได้ให้พอ่อให้แม่ให้ลูกให้เมียไปก็ได้ แต่เราอยากใช้ของเราให้กับตัวเราเองก็แล้วกันแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากจะใช้เงินตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็ไม่ใช้มันทุกครั้งที่อยากก็ไม่ใช้มันเอาไปให้คนอื่นแทนต่อไปความอยากใช้เงินตามความอยากก็หายไปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเวันนี้ที่เราต้องใช้เงินมากเพราะเราใช้ตามความอยากกันใช้แล้วก็อยากจะใช้อีก อแล้วก็อยากจะซื้อพอเราใช้เงินมากเราก็ต้องไปทำงานมากหาเงินให้ได้มากมากแล้วพออยากหาเงินได้มากๆบางทีก็ต้องไปทำบาปต้องไปโกหกต้องไปโกงหรือดีไม่ ด, มดีต้องไปฆ่าคนสาหรับคนที่มันรับจ้างฆ่าคนเพื่อจะหาเงินมาเขาก็ต้องไปฆ่าคนเขาก็จะเขาก็จะทำบาป ถาำบากเขาก็จะต้องตายไปก็ต้องไปเกิดนิยบายไปใช้กรรมนิยบายแล้วก็จะไม่มีวันที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ยัง้งถ้าเราเอาเงินไปทำบุญเราจะไม่มีความเดือดร้อนกับเรื่องเงินทองไม่ต้องหามากหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเงินทองส่วนใหญ่ที่เราใช้นี่ไม่ได้ใช้กับสิ่งที่จาเป็น ใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นอาจจะใช้ประมาณ 20% สำหรับสิ่งที่จำเป็นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องดูดหอยแต่ 80% นี้ซื้อตามความอยากอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยากจะขับรถรถราคาแพงๆอยากจะใช้ของราคาแพงๆใช้ของที่มีชื่อดีไซเนอร์ติดเอาไว้ มันก็ได้หมดัปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ถ้าเราใช้กับของที่จําเป็นจริงๆนี้เราไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากเราก็จะหาเงินแบบไม่ต้องทำบาปได้ไม่ต้องโกหกไม่ต้องโกงแล้วก็จะทำให้เราสามารถขยับขึ้นไปเดืเองธรรมะยาชูกำลังที่แรงกว่า น, นี้ได้คือการรักษาศี ถ้าเราทําบุญอยู่เป็นประจาแล้วเราจะไม่ชอบทาบาปเราจะไม่ชอบเบียเดเบียนคนอื่นไม่ชอบให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่ชอบโกหกเราจะไม่ชอบเดลาาอดรเอนก็ทําให้เรารักษาศีห่หได้ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้ตายไปเราก็ปลอดภัยไม่ต้องไปเตืนอนนายบาล เหตุที่พาเราไปเกิดในาบายเพราะเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้เรายังเราทําบาปเรายังฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปลดเบื่อสุรายามาอีกเพรฉะนั้นถ้าเราทําบุญได้ทําทานได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลได้พอรารักษาศีลห้าได้ต่อไปเราก็เพิ่มเป็นศีลแปดได้ รักษาได้ห้าข้อแล้วหโดอสามข้อก็ไม่ยากไม่กินข้าวเย็นแค่นี้ยากตรงไหนก็กินให้มันเยอะๆตอนเช้าเป็หมดเรื่อง ก, กินให้มันเต็มที่เหมือนเติมน้ํามันรถอะเติมทีเดียวมันเต็มถังไปเลยทําไมต้องมาแบ่งเติมทีเราเล็กเรียวน้อยเต็มัทีเดียวให้มันเต็มไปเลยเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่นะกินเพื่อมให้ร่างกายตายไม่ใช่นะั้นกินหนเดียวก็ไม่รับรองได้ไม่ตาย ถ้าในวันนี้กินหนเดียวมาทุกคนไม่ตายหรอกที่มันอยากที่มันกินมากๆเพราะความอยากแลราเราต้องมาหยุดความอยากกินเพราะนี่ก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นของอาหารเราก็ต้องหยุดไปหยุดความอยากกินด้วยการถือศีลแปดศีลข้อที่หกแล้วก็หยุดการการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย การไปเที่ยวตามบาตามผับไปตามสถานที่เที่ยวไปตามโรงภา พ, พยนตร์โรงละครอันนี้ถ้าถือศีลแปดก็ไปไม่ได้ห้ามห้ามไม่ให้ไปแล้วก็อยากจะแต่งตัวให้สวยก็แต่งไม่ได้ให้แต่งตัวธรรมดาให้ดูเรียบร้อยก็พอไม่ต้องสวยงามไม่ต้องวิจิตรพิสดารอันนี้ก็จะหยุดความอยากต่างๆางนี้ได้ แล้วก็อยากจะนอนมากมากก็ไม่ให้นอนมากมากนอนเท่าที่จำเป็นร่างกายต้องการพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงนอนห้าชั่วโมงร่างกายก็พอแล้วแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆ น, นอนสบายเวลารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาร่างกายพักผ่อนพอแล้วพอรู้สึกตัวก็ยังไม่อยากจะลุกขอนอนต่อเพราะมันสบายเลยนอนแปด9้าชั่วโมงสบชั่วโมง ก็จะทำให้เสียเวลาเวลาที่เราจะมากินยาชนิดที่สามคือการภาวนากอนที่เราจะภาวนาได้เราต้องรักษาสิ้นแปดให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาสิ้นแปดไม่ได้เราจะไม่มีเวลามาภาวนาเราจะเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปทำไปนอนกัน ก็เลยจะไม่มีเวลามาภาวนามาสร้างธรรมะที่จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรต้องภาวนานี่คือยาชูกำลังที่เราต้องสร้างขึ้นมาดื่มกันตามกำลังของเราขั้นต้นการทำทา น, นี่ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลง่ายกว่าการภาวนา แวเราต้องเริ่มจากของง่ายก่อนพอเราทําทานได้ต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะรักษาศีห้าพอลองมีรักษาสีหน้าได้เราก็จะมีกําลังรักษาสีแปพอเรารักษาสีแปได้เราก็จะมีเวลามีกําลังมาภาวนาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็จะสามารถ ใช้ปัญญามาหยุดความอยากให้หมดไปได้นี่คือขั้นตอนของการที่เราจะทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องทำตามที่พุะเจ้าสอนสามขั้นเอือหนึ่งทานสองศีล3ภาวนาถ้าเราทำเราเริ่มต้องที่ทานก่อนหรือว่าเรายัง เอาเงินไปซื้อไปใช้ตามความอย่างอยู่หรือเปล่าถ้ายังใช้อยู่เราต้องเปลี่ยนต้องเลิกใช้อยากจะซื้อของไม่จําเป็นก็เอาไปทําทานอยากจะไปเที่ยวก็เอาไปทําทานหรือถ้าจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในสิ่งที่จําเป็นก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้เผื่อวันข้างหน้าแล้วอาจจะเดือดร้อนอาจจะไม่สบายอาจจะหาเงินทองไม่ได้ เราก็ต้องมีเงินทางเก็บเอาไว้อันนี้เอาเงินเก็บเอาไว้ก็ได้ได้อย่างเอาไปใช้ตามความอยากถ้าไม่เอาไปทําบุญก็เก็บเอาไว้สำรองไว้ก่อนจนกว่าเราจะใกล้ตายแล้ว ร, รู้ว่าจะตายแล้วรู้ว่าจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้แล้วก็เอาไปทําให้ต่อไปก็ได้แต่ถ้ายังคิดว่ายังต้องใช้มันอยู่ก็ยังไม่ต้องเอาไปใช้ ทำทานได้แล้วก็จะรักษาสีห้าได้เพราะคนทำทานจะไม่ชอบเบียดเบียนคู่พอรักษาสีห้าได้ก็จะรักษาสีแปต่อไปได้พอรักษาสีแปได้ก็จะมานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วก็จะใช้ปัญญาหยุดความอยากได้พอเกิดความอยากปัญญาบอก ให้ไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็อย่าไปทำตามความอยากพอมีสมาธิแล้วก็อยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนเวลาเกิดความอยากก็จะไม่รู้สึกทรมานใจไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธิเกิดความอยากที่ใจสั่นใจกระสับกระส่ายกระวนกระวายใจจะทรมานถ้าไม่ได้ทํำตางความอยา่าง ก็เลยต้องไปทำตามความอยากเพื่อกำจัดความทรมานใจแต่กำจัดได้เดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเดี๋ยวมันก็มาใหม่ความอยากก็มาใหม่ดัง น, นั้นวิธีกำจัดความอยากก็คืออยากไปทำตามความอยากแล้วต่อไปมันจะอ่อนกำลังลงเอ็นอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบทั้ทงนี้ไม่สูบเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเบาลงเบาลง แล้วต่อไปความอยากสูขุรีก็จะหมดกำลังไปนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันวนน้ำตานี้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเราต้องมาสร้างกำลังให้จับใจด้วยการปฏิบัติธรรมสามข้อคือทำทานรักษาศีล แล้วก็ภาวนาพานก็ควรจะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เต็มร้อยเลยถ้าทำได้เต็มร้อยก็จะสามารถไปรักษาศีลได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยก็จะภาวนาได้เต็มร้อยพวกที่เขาไปบวชเนี่ยกาทาเต็มร้อยกันมีเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นหมดเลยไม่เอาไปบาตรแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เอา เวลาไปบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินทองนะแล้วเราสามารถารักษาศีลได้ทั้ง227ข้อแล้วก็สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาขอถึงบรรลุ ก, กันได้ภายในเจ็วันเจเดือนเจ็ปีถ้าไม่ทำอย่างนี้เชาติก็ไม่รู้จะได้หรอเ่า ถ้า ท, ทําทีละเล็กน้อยทาทางทีละร้อยละห้าเปอร์เซนมีแสนหนึ่งทสักห้าพันนี่เก็บไว้เก้ามนห้าบอย่างนี้ก็ยังรักษาสีลไม่ได้เต็มร้อยยังภาวนาไม่ได้เต็มร้อย ท, ทาําทห้าเซนก็รักษาศิลได้ห้าเปเซนภาวนาก็ภาวนาได้ห้าเปเซนถ้าอยากจะภาวนาได้ร้อยเปอร์เซ็ ก็ต้องทาทานร้อยรซรักษาศีลร้อยเปอร์เซแล้วก็จะภาวนาได้ร้อย็แล้วก็จะบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีถ้าไม่ท100ํร้อยเซก็อาจจะเจกดร้อยชาติเจ็ดพันปีเจ็ดล้านปีนี่คือเหตุผลแคนชอบถามเนื่ย ทำบุญอย่างนี้กับทาบุญอย่างนั้นอย่างไหนจะได้บุญมากของกันก็าทำร้อยบาททําอย่างไหนมันก็เท่ากันแหละใส่บาทกับพระหรือเอาอาหารไปถาวายพระที่วัดถ้าราคาร้อยบาทมันก็ได้บุญแค่ร้อยบาทมันจะไปมากกว่าร้อยบาทได้ยังไงใช่ไหมถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าร้อยบาทก็ต้องทำสองร้อยบาทเลยทำบุญ200อบาทมันก็ต้องได้บุญมากกว่าทําบุญร้อยบาท แต่ชอบทำบุญร้อยบาทแต่อยากจะได้มากกว่าใส่บาทได้บุญน้อยกว่าอาไปถวายวัดหรือถวายวัดจะได้บุญมากกว่าใส่บาทถพามันร้อยบาทมันก็ได้เท่ากันแหละทำบุญกระถินทำบุญท่าปา่าทำบุญสังฆทานถ้าร้อยบาทมันก็ได้เท่ากันเนะี่ยไม่ใช่ว่าทำบุญกระถินเราจะได้บุญมากกว่า ทำบุญสังฆทานหรือทำบุญผ้าฝ่าถ้าร้อยบาทมัก็ร้อยบาทเหมือนกันที่เขาว่าบุญมากคือข้หมายไม่ได้หมายถึงบุญที่ได้จากการเสียสละก็หมายถึงประโยชน์ของพระสมัยก่อนพ้าไม่มีผ้ามีแต่ข้าวมีแต่คนใส่บาตรไม่มีใครถวายผ้าก็ผ้ากระถิ่นกันถ้าต้องไปหาผ้าห่อศพาก ขอมาหอมกันผ้าขาดเหลือดร้อยองค์เจ้าเลยบอกว่าถวายผ้ากระถิน่นน่าจะได้บุญมากเพราะพราจะได้ช่วยเหลือพระให้พระได้รับประโยชน์เพราะนั้นแนหะแต่บุญจะมากจะน้อยสําหรับคนให้นี้มันอยู่ที่จํานวนเงินที่เราจ่ายไปแต่ที่ว่าบุญมากนี้หมายถึงผู้รับพระได้รับประโยชน์มากเพราะฉะนั้นไม่มีท่า เวลาขนตอกผ้าเปียกก็ต้องใส่ผ้าเปียกๆไปเนี่ยมีพระกลุ่มหนึ่งไปกราบพระพุทธเจ้าพอจะก่อนจะไปถึงวัดขนตกกางทางเปียกพอไปท้าองค์เจ้าก็ต้องผมผ้าเปียกไปเพราะไม่มีผ้าเปียกองค์เจ้าเห็นก็สงสารเพราะวพระนี้นนลำบากเครื่องผ้าญาติโยมก็ไม่รู้วิธีไม่รู้ว่าจะต้องถวายผ้าให้กับพระ ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนคือว่าใส่บาทอย่างเดียวเพื่อะไรต้องบอกให้ถวายพาะกระถิ่นแล้วบอกว่าถวายพระกระถิ่นได้บุญมากบากคนอาจจะเชื่อว่าถวายกระถิ่นนี่ได้บุญมากกว่าถวายผ้าป่าเพาผ้าขนเดียวกันมันก็จะไมปมากกว่ากันได้ตรงไหนใช่ไหมสมัยนี้ถวายผ้าแบบนั้นก็เหมือนกัน พอมามันเยอะแล้วไม่ถวายกระถิงนก็ได้นี่เนี่ยถวายทุกวันนี่นก็มาสามสามถืนแล้วเนี่ยถวายอยู่ทุกวันเอาแล้วนะฝนตกแรงจะเอายังงดีนั่งสมาธิก่อนนะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวฝนหยุดแล้วจะค่อยออาโยมชนาให้พน ผลหยุดแล้วจะอนุโมทนาให้พรแล้วเดี๋ยวถามตอบปัญหาต่อถ้าใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ยะถ า, าวะวิวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวามีวะอิโตจิ น, นางเปตานังอุปกา ป, ปิ อิชิตังปะชิตังตุมังเขเปเมวะสมิจัตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัตังตุสัพโรโขวินัสตุมาเตภวทวันกรายุ สุขีทิคายุปภวะอธิวาฒนสีิทธะนิจยังพุทธาปจายิโนจตารุธรรมะวาทานเตอายุวโนสุขังภะลังอันนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะถ้าอยากจะถาม อนนี้เ c e b o o k วันนี้เข้ามาสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดที่420ครับสูงสุดอยู่ที่100 140นะคะตบอนนี้เหลือ140เลรัยังอ่อนน140ทาง YouTube ูสูง ส, สุดอยู่ที่80นะตอนนี้อยู่ที่42ครับอ อ, อนนี้ก็พอจะถามตอบปัญหาได้ถ้าไม่มีใครถามที่นี่ก็จะให้ทาง Facebook YouTube ถามเข้ามาอ่า คือดังๆหน่ก็จะ อ, อก็เวลาปฏิบัติทำจิตให้สงบพอจิตสงบมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรพยายามให้ใจเราเป็นอย่างนี้ไปตลอดได้ก็ดีอเราก็เรียกว่าความสงบก็แล้วกัน ก็จะไปเรียกอะไรล่ะเรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้สึกเลยค่ะไม่รู้สึกก็หลับสิไม่ชก็เวลาสงบเวลาสงบเราไปบางทับมือนหไม่ให้ไม่ให้มันไม่สงบไม่ได้มันสงบก็ต้องไปมันสงบไปก็กลับ้าไปใหม่ เราก็าไปเรื่อยๆดีกับไปเที่ย ว, ะวนะ <c oughs> ก็พยายามให้มันอยู่สงบอยู่เฉยๆให้มากที่สุดให้นานที่สุดให้บ่อยที่สุดใจ่เราจะได้ไม่ไปต้องไปทำอะไรตามความอยากต่าง ๆ, ๆที่ทไม่ผิดหรอกก็ไม่ห ล, ลงหรอกก็นั่งเพื่อให้มันอยู่เฉยๆไง นั่งเพื่อจิตเราเฉยๆไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ไปยุ่งกับใครอยู่ของเราตามลำพังได้อย่างมีความสุขนั่นสุกุบ่าเรานั่งแบบนั้นอ่ะสบายไามล่ะสบายก็นั่นแหละคือเราต้องการความสบายใจ พยายามอยู่แบบนั้นไปเป็นความสุขที่แท้จริงดีกว่าความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความสุขเดียวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปอาจอยู่กับความสุขแบบนี้ดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไร พยายามทําให้เป็นอย่างนี้อยู่แบบนี้ไปได้ตลอดชีวิตก็จะสบายเวลามันอยากก็อย่าไปทําตามความอยากกลับไปทําใจให้เฉยๆอ่าพอใจไหมที่นั่งนี้ก็เพื่อฝืนความอยากจุดความอยากเพราะความอยากไม่ดีพอเกิดความอยากก็ใจเราวุ่นแล้วใจเรากังวลนะ ถ้าไม่มีความอยากใจเราก็เฉยๆสบายนั้นทาใจใเฉยแล้วความอยากมันจะไม่มีมันมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีความอยากแล้วก็ต้องมีให้ได้พอมีแล้วก็ไม่พออยากจะได้มากขึ้นไปอีกมันก็ทําให้ใจเราต้องดิ่นอยู่เรื่อยๆกระดานดิ้นมันก็ไม่ทุกมันก็ไม่สบาย มันวุ่นวายถ้ามันอยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอะไรเฉยๆสบายสบายก็ให้หัดอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรก็ได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเป็นอาเสียก็ต้องทุกข์แต่ถ้าเราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เราก็สบายไม่ต้องทุกข์กับอะไร อยู่คนเดียวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีงานไม่ต้องมีอะไรรือ <Dick. S 1> ถ้ามีงานก็มีเท่าที่จาเป็นงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปไม่ได้หาเพื่อให้ร่ำรวยให้ใหญ่โตให้มีหน้ามีตามีเกียรติอะไระหาเพื่อเลี้ยงปากเลี forward, ้ยงท้องไปท่าทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก็พ อ, อใจเราไม่ต้องหาความสุขจากอะไรมีความสุขในตัวเอง ให้อยู่แบบนั้นไปนั่งบ่อยๆนักมากๆนั่งนานๆแล้วไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินสบายเงินทองไม่มีก็ไม่เดือดร้อนคำถามคำถามจากคุณนันทพรค่ะทำไมเรามากักหยิบเอาเรื่องในอดีตที่เคยเจ็บปวด กลับคิดซ้าแล้ววนไป ว, วนมาเจ้า่ะมันไม่สงบไยมันคันมันคันงก็เลรต้องเกาใช่ไหมเวลาคันต้องเกาไหมใจเราไม่สงบมันคันมันต้องคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องที่มันทำให้เรามันเนี่ยมันก็ชอาคิดเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ชอบคิดเขาด่าหลังแต่เมื่อเช้านี้เนะย็นนี้ยังคิดอยู่นั่นทำไมเขาต้องดา่าเราด้วย แต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบได้มันก็ลืมเรื่องนั้นไปมันก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเห็นเวลามันคิดอะไรก็ให้ใช้พุโทโธหยุดมันบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดีย ว, ยวห้านาทีมันก็ลืมละแล้วสบายใจมันคันมันไม่สงบมันชอบคิดตามความอยากต่างๆตามความอยากตามความโกรธโกรธกับเรื่องไหนก็จะคิดกับเรื่องนั้นน่ะใช่ไหมใครมาทําให้เราโกรธนี่โอ้คิดอยู่นั่นน่ะ มึงอย่างนั้นมูงอย่างนี้กูจะทำมึงอย่างนั้นกูจะทำมึงอย่างนี้แต่ถ้าสงบแล้วมันไม่คิดอะไรตอนที่หนูสงบคิดอะไรป่ะไม่ได้คิดอะไรอ่านั่นแหละแล้วสบายไหยสบายก่อไปคิดถึงเวลาคนเขาทำให้เราโกรธไหมไม่ไม่แตกต่างว่าอ่านั่นแหละงั้นถ้าใจสงบแล้วมันก็ไม่คิดมันหายคันนี่แต่ถ้ามันไม่สงบมันคัน มันก็ต้องคิดไปตามความโลภตามความอยากตามความโกรธต่างๆคำถาต่อไปจาก อ, อ, อินบ็อกซจากพิปัญญาค่ะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้องทำอย่างไรบ้างครับเช่นเวลาขับรถผมเคยพยายามกำหน ด, ดรู้ตัวแต่กลับกลายว่ามักจะขับเลยจุดหมายขับไปผิดทางหรือเวลาเลี้ยงลูกลูกร้องไห้ต้องอุ้มต้องปลอด รู้สึกว่ากำหนดยากครับไม่รู้จะกำหนดอย่างไรเคยเรียนและฟังแนวยุกหนอคลองหนอเขาสอนให้กำหนดทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวันโดยให้มีคำบริกรรมตามอิริยาบถํำกัดไปด้วยเช่นย่อตัวหนอหนอเวลานั่งเพราะว่าจะช่วยให้สมาให้มีสติมากขึ้นอยากจะเรียนถามทระอาจารย์ว่าทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ถูกตรงหรือไม่อย่างไรครับครับเรา ถ้าเราเข้าใจมันก็ทําแล้วมันก็ถูกถ้าไม่เข้าใจทําแล้วมันก็ไม่ถูกความจริงนี้เป้าหมายการมีสติอยู่กับชีวิตประจําวันก็คือให้เราอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กาลังขับรถก็ต้องอยู่กับการขับรถไม่ใช่ไปยุบหนอพองหนอเดี๋ยวมันก็ชนกันนั่นต้องขับหน้องขับหน่ออย่าไปยุบหนอพองหน่อเรากาลังขับรถก็ให้อยู่กับการขับรถ เรากําลังกินก็เยู่กับการกินกําลังกินหนอกินหนอะจะพูด ก, ก็ได้ไม่พูด ก, ก็ได้ขอให้มันอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เรียกว่าการฝึกสติในชีวิตประจําวันให้อยู่กับภารกิจที่เรากําลังทําอยู่เราก็ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่กําลังขับรถก็ให้คิดอยู่กับเรื่องรถตอนนี้รถวิ่งเร็วเท่าไหร่มีรถอยู่ข้างซ้ายข้างขวาหรือเปล่าลักษณะนี้ คือให้มีมีสติอยู่กับภารกิจที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนั้นเวลากินก็อยู่กับการกินอย่า ก, กินไปแล้วก็บ่นไปในใจโอ้เบื่อคนนั้นเบื่อคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้ให้อยู่กับเรื่องกินเรื่องเดียว<ม>เวลาอาบน้ําก็อยู่กับน้ํา<ม>เวลาทับอุ้มลูกก็ให้อยู่กับการอุ้มลูกมไม่ใช่อุ้มลูกแล้วก็ไปยุบหนอพองหนอลูกมันฉี่ก็ไม่รู้ลูกฉี่ ลูกร้องก็ไม่รู้ว่าลูกร้องมันต้องอยู่ที่ลูกกาลังเรียกลูกก็ต้องดูลูกว่าลูกร้องเพราะอะไรปวดฉี่หรือขิวน้ำหรอไม่ใช่ไปอุ้มลูกแล้วก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอไปอุ้มหนอก็อุ้มไปให้อุ้มหนออุ้มหนอลูกเป็นอะไรหนอทำไมร้องหนอเงี้ยกรจยยัง จะคุณพัชวางค่ะเวลาพระท่านมาบินสบาต ท, ท่านให้พร น, นั้นถูกหรือไม่ถ้าไม่แล้วโยมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรควรรอรับพรหรือไม่ต้องครับตามธรรมเนียมของการบินสบาตเขาไม่ต้องให้พรกันแล้วนอกอจากว่ากรณีพิเศษโยมมันเกิดอันนี้อยากจะขอพรเป็นกรณีพิเศษพรก็ให้อายุวันโนส่ขังพาลังพอจบ แตามธรรมเนียมแล้วการบินตบาสนี้ไม่ต้องให้พรไม่ต้องรับพรเพราะพรไม่ได้เกิดจากการให้พรหรือรับพรพรเกิดจากการใส่บาตรพะใส่บาตรปุ๊บได้พรแล้วได้อ น, นิสงส์ของการใ ห, ให้การใส่บาตรแล้วจะให้หรือไม่ให้ก็เหมือนกันเท่ากันยิ mm ่ง hmm. ถ้าพระท่านอยากจะให้เราก็รับไป mm hmm. พระลูกสมัยนี้ท่านคิดว่าต้องให้ mm hmm. เดี๋ยวเหมือนกับว่าซื้อของแล้วไม่จ่ายเงิน ก็เลยเขาสายบาตแล้วก็ต้องให้พรควาจริงไม่ต้องให้พรไม่ต้องขอบใจถ้าให้พรแบบขอบใจอย่าไปให้การให้พรนี้ไม่ได้การให้แบบขอบใจเป็นการสอนถ้ายมไม่รู้ว่าสายบาตแล้วได้ลายพัดจะสอนให้เวลาที่ท่านให้พรนี้เป็นคำสอนว่าถ้าความบุญแล้วจะเจริญด้วยอายุวันณสุขพะพละไม่ได้บอกว่าคุณจะได้สุขพะพนละะจากฉันนะฉันจะให้เธอสุขพะพละไม่ใช่ เธอได้แล้วจากการทําบุญของเธอเองมาหมายอย่างนั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณตุ้มท่านอย่างไรคะเมื่อเห็นคนเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกเศร้าโศกตามไปด้วยเราควรทาอย่างไรความกับความรู้สึกแบบนี้คะก็หยุดมันด้วยพุโทโธง่ายที่สุดกับพุโทโธพุธโทโธไป อ, อย่าไปคิดถึงความเจ็บของเขา พอเรารพุโทโธพุทโธเดี๋ยวเราก็ยึดเลืมเรื่องความเจ็บเราก็หายเศร้าถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้สมน้ำหน้าไ้ยอยากจะมาเกิด응ถ้าไม่อยากจะมาถ้าไม่อยากจะมาเป็นอย่างนี้ก็อย่ามาเกิดมันก็จะหายเศร้าสมน้ำหน้าเราก็เหมือนกันต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาสมน้ำหน้าเราถ้าถ้า ถ, ถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้อยู่ พิจารณาด้วยปัญญาไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็อย่า ก, กลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ตัดความอยากให้หมดไปอย่าไปเที่ยวอย่าไปมีแฟนอย่าไปมีลูกอย่าไปมีอะไรไปบวชชีซะบวชพระนะเราก็จะได้ไม่กลับมาเกิดคำถามข้อต่อไปจากคุณตุ๊กไก่ข้อที่หนึ่งคถ้าเราให้ทานยศศีลห้า 5, ได้อย่างปกติ จะมีโอกาสได้บรรลุเป็นพราโสดาบันหมาเจ้าคะยังต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาด้วยถ้าไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาก็เป็นไม่ได้ทำทานรักษาศีลเป็นได้แค่เทวดาข้อที่สองถ้ายังเยียนว่ายใจเกิดในชาตินี้เราชอบทำบุญปฏิบัติธรรมชาติพบใหม่จิตดวงใหม่จะยังยึดจะยังติดนิสัสยแบบนี้หมเจ้าคะ ก็แล้วแต่ว่า ar, มันนิสัยมันมันลึกหรือไม่ลึกนะถ้านิสัยมันฝังลึกก็มันก็จะติดมาถ้าไม่ลึกมันก็อาจจะไม่ติดมาก็ดูนิสัยวันนี้เราทำทุกวันหรือเปล่าเราทำบุญทุกวันหรือเปล่าทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์นี้มันก็มันก็ไม่เป็นนิสัยมันเป็นอารมณ์แต่ถ้าเป็นนิสัยมันทำทุกวัน ทุกครั้งจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะติดเป็นนิสัยไปแต่ทุกครั้งเวลาจะใช้เงินสองจิตสองใจทําบุญดีเลีอยไปเที่ยวดีอย่างนี้มันยังไม่เป็นนิสัยคำ ถ, ถามข้อต่อไปจากทุณยศินข้อที่หนึ่งการภาวนาในศาสนาพุตธกับการอธิษฐานถึงพระเจ้าในศาสนาคริสตมีข้อต่างกันอย่างไรดังเลฟนอกจากนำปิตรมาเป็นที่ตั้ง ก็ไปถามศาสนาคริสต์มาถามเราไล่ไงเราศาสนาพุทธของเราอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจตั้งใจจะทําความดีเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานก็ต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายจะทําความดีไม่ทำบาสนี่อธิษฐานคือความตั้งใจตั้งใจแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทําก็แสดงว่าไม่มีสัจจะ ก็ต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องทําเมื่อมีสัจจะแล้วก็อาจจะขี้เกียจไม่ทําก็ได้ทําก็ทําแบบเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคออย่างนี้ก็ยังไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องมีวิริยะมีความเพียรพยายามทําให้มากๆแล้วถ้าทํากแล้วท้อแท้เจออุปสรรคต่างๆนานาก็ต้องอดทนต้องมีขันติกนี่คือ การจะทำอะไรให้สำเร็จได้ในทางพระพุทธศาสนาต้องมีอธิษฐานความตั้งใจต้องมีศจัจจะความจริงใจต้องมีความวิริยะความภาคเพียงและมีขันติความอดทนถึงจะสามารถทำสิ่งที่ตนเองต้องการจะทำให้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้มีเกืออธิฐานของศาสนาพุทธไม่ได้ขอแต่คนไทยเราก็ไปชอบเรียนแบบของศาสนาอื่นขอ เขาขอพระเจ้าเราก็ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยสอนให้ขอสอนให้ทำศาสนาพุทธก็เรียกว่าศาสนาธรรมทํางานทําทานทําศีลทำภาวนาไม่ใช่ศาสนาขอาอะไรนะศาสนาธรรมนั่นต้องตั้งใจทําไม่ใช่ตั้งใจขอแต่เราชอบเอาอธิษฐานมาเป็นขอ อยากจะได้ลูกก็ขอจากพระอยากจะรวยก็ขอจากพระอยากจะได้งานก็ขอจากพระพระมีของพวกนี้ให้ที่ไหนเล่าใช่ไหอยากจะได้งานก็ไปขอคนที่เขามีงานนีอ่อยากจะได้เงินก็ไปขอธนาคารนี่ขอเราได้ไง <c oughs> อันนี้มีแต่สอนให้ทาอยากจะได้เงินก็ไปทำงานอ่างานทำได้งานแล้วเด๋ยนเงินก็มาใช่ไหม าศาสนาทำไม่ใช่ศาสนาขอให้อธิษฐานเพื่อกระทำไม่ใช่าอธิษฐานเพื่อขอข้อที่2ค่ะเวลานั่งสมาธิก่อนเข้านอนหือนอ น, นตอนเช้าจะเปิดธรรมะระหว่างนั่งสมาธิแต่จะนั่งได้ไม่เกินสามสิบสห้านาทีรู้สึกว่าจิตไม่แกว่งเวลาเปิดเทศธรรมะการทําแบบนี้เป็นการนั่งสมาธิที่ถูกไหมคะ ก็เป็นสมาธิแบบหยาบๆแบบง่ายๆถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านี้สงบมากกว่านี้ก็ต้องดูลมหายใจหรือพุโทโธพุโทโธไปตอนนี้เราไม่มีกําลังเลยอาศัยการฟังเทศเสียงเทศมาข่มใจเราต่อไปถ้าเรามีกําลังแล้วเราต้องปิดเสียงเทศแล้วก็ใช้กําลังของเราควบคุมใจให้สงบด้วยการบังคับมันให้ดูลมหรือบังคับให้มันพุโทโธ ตอนฟังเทศเราไม่ต้องบังคับไงนั่งเฉยๆบังคับให้มันฟังอย่างเดียวมันง่ายกว่าบังคับให้มันพุโทโธบังคับมันง่ายกว่าให้มันดูลงแต่มันจะไม่สงบลึกเท่ากับเวลาได้ดูลงหรือบริกรรมพุโทโธสงบต่างกันข้อที่สค่ะเพื่อนฝรั่งชอบถามมาว่าศาสนาพุทธ เชื่อในพบหน้าพบอดีตมากเชื่อในอภินิหารเอาอะไรมาพิสูจน์มาวัดได้ว่ามีจริงจเราควรจะอธิบายอย่างไรดีคะบอกว่าศาสนาพุทธไม่ได้สาวไนเชื่อเรื่องราเหล่านี้มากสิ่งที่ได้เชื่อก็คือว่าเกิดมาเพราะความอยากถ้าไม่อยากจะเกิดก็ให้หยุดความอยากส่วนอย่างอื่นนี้เป็นของแถมมาพอย่างนี้แต่คนไทยเราชอบของแถมไม่ชอบของ ของแท้ไปซื้อเขานีไ่ไปตั้งใจดูของแถมมากกวไปเติมน้ํามันนี่ไปดูปั๊มไหนแจกแจกอะไรอก็ไปเติมปั๊มน้ํามจริงศาสนาพุทธสอนนะสอนหลักลคือสอนให้เราดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจด้วยการหยุดความอยากต่างๆาท่า น, นั้นเองนี่คือคําสอนหลักของศาสนาพุทธแต่คําสอนองค์ประกอบคือความจริงที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ของจิตใจก็คือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อภินิหารมันก็มีความสามารถพิเศษของจิตแต่มันก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกคนแต่ของพวกนี้ท่านหมอมันไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การดับความทุกข์ใจคนไทยนิชาวพุทธไทยเราเข้าไม่ถึงแก่นศาสนาก็เลยไปติดอยู่กับเปลือกของศาสนาติดอยู่กับเรื่องของอภินิหารเรื่องพบ เรื่องชาติเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ซึ่งมันก็เป็นส่วนส่วนส่วนตีกย่อยส่วนหลักๆก็คือวิธีดับทุกนี้ไม่ค่อยเท่าถึงกันก็เลยพูดแต่เรื่องเหล่านี้เพราะว่าชาติก่อนชาติหน้าตายไปชาติหน้าขอให้ได้ไปเจอกันใหม่อะไรอย่างนี้เพราะว่าไปห้อย่างนี้เรียกว่ากิเลสมันตอกก็ไม่เชิงหลอกมันก็มันก็เป็นความจริงเพียงแต่ว่ามันอาจ มันจะไม่ได้ตามที่เราคิดเท่านั้นเองอชาติหน้าขอให้เราไปเกิดไปพบกันเนี่ย ม, มันไม่มีใครไปกำหนดได้ใช่ไหมจะไปกำหนดแล้ชาติหน้าจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องทำเหตุเท่านั้นถ้าไม่อยากไปอบายก็ต้องรักษาศีลห้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปอบายถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทาบุญด้วยรักษาศีลห้าด้วยถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรก็ต้องนั่งสมาธิ ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับก็ต้องไปวิปัสสนาด้วยไปบวชไปหยุดความอยากให้หมดไปอยากใจนี่คือคําสอนหลักของศาสนาแต่คนส่วนใหญ่เข้าไปไม่ถึงเหมือนกินอะจะกินบบบดับเบิรกทุเรียนยังไม่กินเนื้อทุเรียนไม่ได้เพราะไม่มีกําลังที่จะผ่าทุเรียนออกมาเข้าไปกินเนื้อก็เลยกินเปลือกกันก่อนกินเรื่องอพินิหารกินเรื่องเรียนไหวาตายเกิดกันไป ก, ก, ก่อน มันก็เป็นความจริงแต่มันไม่ได้เป็นแก่นไม่ได้เป็นเนื้อทุเรียนอนเนื้อทุเรียนนี้ต้องเข้าไปให้เห็นอริยาาสัจสีเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากการจะไม่ทุกข์ก็เกิดจากการปฏิบัติทางศีลภาวนาคำถานข้อต่อไปจากคุณอัชล า, าค่ะทําบุญโดยการบริจาคเงินสิ่งของคือทํามากได้มาก ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอีกครั้งก็อค่ะก็เหมือนกินข้าวอ่ะกินมากก็อิ่มมากกินน้อยก็อิ่มน้อยบุญก็ทําให้ใจเราอิ่มเอารองสังเกตดูทําบุญร้อยบาทกับทําบุญพันบาทอันไหนจะอิ่มกว่ากันทดลองดูวันนี้ก็ได้เมื่อกี้ทําไปเท่าไหร่ลองลองเพิ่มอีกสิบเท่าดูเนี่ยดูเสียมันจะอิ่มขึ้นรึเปล่าอ็นี้แหละก็มันความอิ่มใจยิ่งเสียสละมากใจก็ยิ่งอิ่มมาก เพราะความตันหนีมันหายไปความโลภมันหายไปความโลภมันทําให้เราไม่อิ่มทําให้เราหิวพอเราบริจากเงินนี่มันเหมือนกับตับความโลภไปแทนที่อยากจะได้เงินกับไม่อยากได้อยากเสียเงินพอได้เสียเงินปั๊บแทนที่จะหิวแทนที่จะหิวกับอิ่มขึ้นมาแต่ถ้าโลภนี้ยิ่งโลภยิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งอยากยิ่งหิวใหญ่ได้สิบก็อยากจะได้ร้อยใช่ไหมออได้ร้อยก็อยากจะได้พัน ถ้าเราให้สิบแล้วมันไม่อิ่มลองให้ร้อยดูถ้าให้ร้อยยังไม่อิ่มลองให้สักพันดูมันก็จะอิ่มคำถามข้อต่อไปจากคุณบูมค่ะหากรักษาจิตไว้ดีต้องสมาทานศีลด้วยไหนครับล่าจาร์ช่วยชี้แนะด้วยครับอ๋อถ้ารักษาจิตได้ไม่ก็ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องสมาทานอะไรแล้วศีมันเป็นมันเป็นหางเขยไหมถ้าจับหัวงูได้แล้วไม่ต้องไปจับหางแล้ว งูมไม่ได้ับนะถ้าจับปากมันได้ไม่ต้องไปจับหางไม่ต้องไปเอาอะไรมาคอยมาจับมันนะจิตนี่เป็นตัวทำทำผิดศีลคิดจะทำบาปแล้วก็ส่ ง, สงไปที่ร่างกายบอกไปไปขโมยของให้หน่อยสิแต่ถ้าจิตสงบจิตไม่มีความอยากจะได้ของใครมันก็จะไม่ขโมยอย่างถ้ารักษาจิตให้สงบมันก็จะไม่ไปทำบาปอย่างสมาธานหรือไม่สมาทานมันก็เท่ากัน พราะมันจะไม่ทําบาปเลยดีคำถามข้อต่อไปจะคุณปุ๋ยค่ะถ้ากเรากําลังทําอาชีพเพาะพันธุ์หมูทําฟาร์มคนมาซื้อต่อจากเราไปฆ่าเราจะมีการในส่วนของการฆ่านั้นด้วยไมยเจ้าคะไม่มีหล้กแต่เรามีส่วนในการส่งเสริมให้เขาฆ่ า, า<ม>ถ้าเราไม่ทําอาชีพ น, นี้เขาก็ไม่มีหมูมาซื้อจากเราเขาก็จะไม่ได้ไปฆ่าหมู แต่พอเราเตรียมหมูให้เขาฆ่าเขาก็าไปฆ่าเราก็เป็นเหมือนผู้สมสมทบสมร่ว ม, มคิดแต่ยังไม่บาปเพราะเราไม่ได้ทำเองแต่เราอย่าไปสั่งเ้าไปบอกเขาเว่าเอาไปฆ่านะแต่เราขายของเราไปทําไปเขาจะอาจจะเอาไปเลี้ยงดูเอ็นดูมันเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ถ้าอย่างนี้เราไม่บาปแต่ถ้าเราสั่งล้วบอกหมูตัวนี้ดีนะน้ำหนักดีเดี๋ยว ออกไปฆ่าแล้วนี้จะได้ราคาดีถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นการส่งเสริมให้เขาฆ่าดันทางที่ดีอย่าไปทรอาชีพที่จะทำให้ผู้เสียชีวิตถึงแม้ว่าเราเองไม่ได้ทำให้เขาเสียชีวิตก็ตามเช่นขายสุรายาเมานี่ยอปส่งให้คนตายได้คนบางทีจะฆ่าจะทำบาปต้องมากินสุราเดือกสุราย้อมใจก่อนถ้าใจมันไม่เมาแล้วมันจะทำบาปไม่ลง คนที่จะไปทํำบาปมือปืนอะไราบางทีเขาต้องกินเหล้าซะหน่อยใจมันจะได้เฮี่ยงจะได้โหดหรือถ้ากินเหล้าเมาแล้วก็ไปขับรถชนคนตายถ้าเราไม่ขายเหล้าเขาก็ไม่มีเหล้าดื่มเขาก็จะไม่ไปขับรถชนคนตายเพราะเขาไม่เมาอย่นอย่าไปทําอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่ากันเช่นขายสุราขายสิ่งที่เป็นอาวุธต่างๆปืนผาหน้าไม้มกับดักสัต เบ็ดอะไรต่างๆหรือสารพิษสารพิษที่จะไปฆ่าสัตว์อย่างนี้เรียกว่าอาชีพไม่ไม่ไม่ใช่สัมมาชีพไม่ควรทำควรจะทำอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลขายอาหารขายเสื้อผ้าขายปัจจัยสี่ขายบ้านขายอะไรเป็นอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตไม่ใช่เป็นทำลายชีวิต อย่าไปทำอาชีพที่ไปส่งเสริมการทําลายชีวิตข่้นถามจากคุณไอซ์รฟอร์่หนูนั่งสมาธิพอจิตรวมแล้วรู้สึกว่าติดเพ่งค่ะรู้สึกว่าจิตเดิมที่ถนัดเป็นแบบนี้พยายามคลายเพ่งสักพักก็กลับไปเพ่งอีกค่ะกราบขอคาแนะนําจากหลวงพ่อด้วยค่ะก็มันเพ่งก็ป่วยมันเพ่งไปเลยเรานั่งสมาธิก็ต้องเพ่งอยู่แล้วถ้ามันจะเพ่งก็ไม่เสียหายตรงไหนคะ อย่าให้มันคิดก็แล้วกันมันจะเพ่งไม่เพ่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็ต้องเพ่งให้มันหยุดคิดเราต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดมันก่อกวนจิตใจเรามากกว่าให้ความสุขกับเราเวลาเราไม่คิดแล้วจิตใจเรามีความสุขมากกว่าคิดงั้นเราต้องพยายามเพ่งไม่ให้มันคิดถ้ามันไม่คิดแล้วเราจะหยุดเพ่งก็ได้ถ้ามันจะคิดก็เพ่งใหม่เพ่งให้มันหยุดคิดหม คำถามจากคุณ อ, อองค่ะเรียนถามพระ อ, อาจารย์การทานอาหารวันละมื้อในตอนเช้าจะสามารถเริ่มได้ที่เวลากี่โมงครับควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องครับตามหลักของศาสนาเราจะ <c oughs> ถือวันใหม่ตามสว่างเขาเรียกว่าอารุณ์การดูอารุณ์ให้ดูอย่างไรก็ให้เรายื่นแขนออกไปแล้วดูว่าเห็นลายมือแล้วหรือเปล่า ถ้าเห็นลายมือชัดไม่ใช่ไม่ใช่แยกแสงไฟนะแต่แสงสว่างธรรมชาติถ้ายื่นออกไปแล้วเห็นลายมือชัดก็เป็นว่าวันใหม่เริ่มแล้วก็กินได้แล้วไม่ใช่เอาแบบสากรนะวันใหม่สากรคือหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วหลังจากสองยามก็เป็นวันใหม่ก็ต้มมาม่ากินกันได้แนละพวกถือศีลแปดชอบเวลาอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าอยากจะรอพวกถือศีลแปดอยากจะกินอาหารวันใหม่ต้องร อ, งองให้สว่างก่อน ถึงจะชงกาแฟาชองอวันตินกินหนมปังไข่ดาวอะไรกันไปแต่ถ้าถ้าจะถือสากลนี่เดี๋ยวหลังจากสองยามก็จัดปาร์ตี้กันได้นะคำถามจากคุณประกรณ์วิทย์ค่ะถ้าอาจารย์เขาวเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตมันเคลื่อนไปที่หน้าผากเหมือนเกิดสภาวะแห้งแล้วเคลื่อนลงไปกลายจมูกแล้วก็โล่งให้เราอยู่เฉยๆใชๆ่ใช่ไหม อย่าให้มันเคลื่อนให้เพ่งอยู่ที่เดียวเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกเพ่งตรงที่จุดลมเข้าออกมันจะไปก็ดึงมันกลับมาให้อยู่ที่ลมถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยแล้วมันจะไม่สงบให้อยู่ที่เดียวนี่คือการนั่งสมาธิต้องการให้ใจนิ่งใจจะนิ่งต้องเพ่งให้มันอยู่จุดเดียวถ้าอยู่จุดเดียวได้นานๆเดี๋ยวมันก็หายดิ้นมันก็หยุดพอมันนิ่งมันไม่ดิ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเพ่งก็ได้เราก็ดูเฉย นั่งเฉยๆไปรู้ไปรู้เฉยๆแต่พอมันจะเริ่มคิดก็ต้องเพ่งให้มันหยุดคิดใหม่ถ้าเราอยากจะอยากจะให้นั่งต่อไปออหมดเวลาพอดีนะก็ออขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ